พอมีสติแล้วกิเลสเท่านั้นที่ดับถ้าไม่ใช่กิเลสก็ไม่ดับวงเล็บเปิด2กันยายน2550จุดจุดนาที51วงเล็บปิดไม่ใช่ฝึกให้ดับนะฝึกให้รู้ตามที่มันเป็นอย่างร่างกายเรานี่สมมติว่าเรากินข้าวแล้วมันซึมไปให้รู้ว่าซึม ไม่ใช่ให้อยากหายซึมถ้าอยากหายซึมพยายามฝืนฝืนเดี๋ยวปวดหัวมันซึมแล้วรู้ว่าซึมไปฝึกให้รู้ตามที่มันเป็นถ้าเป็นเรื่องทางกายจะไม่ดับต้องเป็นเรื่องทางใจที่เป็นกิเลสถึงจะดับถ้าไม่ใช่กิเลสก็ไม่ดับอย่างจิตใจเรามีความสุขฟังธรรมะแล้วมีความสุขเราก็รู้อยู่อย่างนี้ความสุขไม่จำเป็นต้องหายเพราะความสุขเป็นเวทนาอยู่ในเวทนาขันไม่ใช่กิเลสเพราะกิเลสเท่านั้นแหละที่พอมีสติแล้วมันดับ